ที่จะดูว่าเราเป็นโรคหรือไม่ก็ดูไม่ยากหรอกเสืนกินตัวสองกินปากสามกินท้ายลมสี่กินปัสสาวะดูง่ายมากเลยนะถ้าคุณมีกลิ่นใดกลิ่นหนึ่งที่เล่ามานี่คุณมีโรคคุณมไม่สมดุลมันมีพิษอยู่ในร่างกายโดยอฉพาะพิษร้อนรีบรามกิษซาอพิษร้อนสั น, น, น, นะครับแล้วกลิ่นเหล่านี้จะหายไปทั้งหมด อั้กลิ่นตัวกลิ่นปากกลิ่นปัสสาวะที่มันฉุนๆเนี่ยกลิ่นอุจจาระที่มันเหม็นเนี่ยเนี่ยบางทีผมใช้ตัวชี้วัดในการที่จะไปดีท็อกซ์สิ่บางทีผมก็ใช้กลิ่นปัสสาวะไอ้กลิ่นอุจจาระกลิ่นัวนี้ด้วยแล้วก็เราแค่กลิ่นอุจจาระด้วยไอ้ใช่กลิ่นอุจจาระด้วยแล้วก็กลิ่นผายลมด้วยถ้าถ้าสุนรู้สึกว่าผายลมมีกลิ่นปุ๊บมีกลิ่นเหม็นตัวๆแล้วแปลว่าข้างในเน่าแล้วต้องรีบดีท็อกซ์ต้องรีบร้างน้ำใสเลยนะครับเนี่ยเรราจจะตต้อองวสบ ผมไปเจอสอบผมจะรู้ว่าถ้ามันเริ่มไมกิ่นผมจะสังเกตตัวเองพลังมันจะเริ่มตกพอไปไปดท็อกสอบก็จะมีกาลังเพราะว่าพิปมันออกนะครับแต่อย่าหลอกตัวเองนั่นแหละนะนะบางคนเนะีย่ยมันโบราณเพราะว่าเขาไทยนะพูดเนยะตอดคนอื่นเม้นเบื่อเลยแนละ้วก็จะทนนะต อ, อ, ตอทั้งตอดทเมไม่เป็นไรนะ อยู่เลยแคนอยู่ข้างกะตายแล้วออกมาที่ไรผมแต่โอ้โหเรโอ้แต่ผบอกว่าเราไม่เหม็นนะลงชินแล้วนะจะไปหลอกตัวเองก็นันแหละ้งหมดเองไม่เม็นแต่ว่าจริงริงบงทีมันก็ไม่เหม็นถ้าเราล้างกันดีๆเนี่ยผายลมก็ไม่เหม็นแต่ถ้ามันผายลมเน้นนี่นะนั่นแหละแปลว่าไม่เคาท่ลและมีพิษแล้วเราสามารถตรวจร่างกายได้ว่ามีพิษหรือไม่มีพิษคนล้างพิษไหมคนเข่งคัดหรือยันคนเอาพิษออกทุกอย่างอันนี้ก็เรื่องของ เรื่องของขวานะทําให้มันถูกเมื่อกี้พูดถึงนี่แหละคูบาอาจาร น, นะเพราะท่านเป็นบอกว่าสายเจโตเนี่ยทําให้รูกแม่เนี่ยดึวยคาเป็นเจโตของของอินเดียทําให้เขารักษาศาสนาพุทธไว้ไม่ได้ตอนนี้ศาสนาพุทธไม่มีอยู่ในอินเดียใครก็่ตเสียเวลาไปดูหรอกจะพูดก็พูดนี่ชวนเพราะท่านไปดีไรแล้วท่านไม่ไปไปทำไมเพราะศาสนาพุทธมันไม่ได้อยู่ที่อินเดียศาสนาพุทธมัอยู่ที่เมืองไทย ตรงพุทธีย้ายมาที่เมืองไทยแล้วเพราเมืองไทยเป็นสายปัญญาอินเดียไม่สามารถพัคําพุทธไว้ได้เพราะเป็นสายเจโตสายเจโตคือยึดมั่นถือมั่นปักมั่นเข้าใจไหมปักอะไรก็ปากนั้นยึดมั่นถือมั่นยึดมันถือมันปักมั่นนแล้วศาสนาพูดเป็นศาสนาที่ไม่ยึดมันถือมันเป็นไปเพื่อสนใจแล้วไม่ยึดมันถือมันปล่อยวางยึดมั่นไม่ยึดมันถือมั่นแล้วศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาแห่งปัญญาพุทธทคือผู้ทธรู้ด้วปัญญาเพราะฉะนั้นพุทธท่าจึงมายังในประเทศไทยเาาคนนนไทยยสส่วใหญปป็ัก ค น, คนมีปัญญาอยู่ที่ไหนขุนถ้าจะไปหยั่งลงที่นหม น, นี่เป็นสัจจะเป็นอจินไปดังนั้นอินเดียไม่รับไม่สามารถรักษาศาสนาพุทธไว้ได้นะครับแต่พระเจ้าต้องไปเกิดที่อินเดียเพราะอะไรครับครูบาลย์บอกว่ามันต้องไปขม่มศาสนาอื่นมันต้องไปสู้ศาสนาอื่นเพราะอินเดียเปเมือง น, นักป่าสมัยก่อนนะโอ้โหเจ้าลัที่เจ้านัาน่นงเจ้านี่เจ้านั่งเจ้าที่าสารพัดนเนี่ยเพราะงั้นพระเจ้าเกิดในเมือหนึ่งของโลกนี่มันต้องเป็น เออแล้วก็ไปปาดาบกันนะฮะแต่ไม่ได้อาดาบไปสู้กันหรอกนะเ อ, เอาเอาปัญญาเอาอะไรต่างกันมันไปตั้งปัญมันต้องคล้ายๆไงโอ้สุดยอดเมื่อในลวงโลกนี่มันต้องแหมอลังการมันต้องสู้ศึกเรื่องว่าเมื่อจะแปลว่าก็คือคาดศึกไม่ใช่าดศึกคื่คู่แข่งที่ว่าใครเก่ง ๆ, ๆต้องสาบได้เรียบอะไรเงี้ยต้องเอาชนะเขาได้อะไรเงี้ยมันต้องไปเกิดตรงนั้นอ่ะเพื่อประกาศศักดิ์ศรีเพื่อเพิ่มประกัน ฤริ์เดชประกาศความสามารถมันประกาศโดยธรรมนะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าอยากไปเกิดนะแต่สัจจ์เขาส่งไปว่าเ <N> นี่ยเพื่อให้รู้ว่าศาสนาพุทธเป็นอย่างไรอยู่ได้สู้ได้อะไรได้นี่นะครับคล้ายๆนี้นไะปสัจจ์เขาส่งไปแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสัจจไปหรอกสัจจ์เ้าจะส่งไปเพื่อเพื่อประกาศสักดาในภาษาถ้าพูดภาษาเรามันต้อประกาศานะกสักดาแก่ศาสนาอื่นแล้วเป็นไหมสองพันา้อยปีเนี่ย พุทธเจ้าตัไว้ว่าสิ่งที่เจ้ตัดไว้จะไม่มีใดรลบล้างได้แล้วไม่มีศาสนาไหนจริงๆนะมาลบล้างคำตัดของศาสนาพุทธนะของพุทธเจ้านะแล้วไม่มีนักปราชญ์คนไหนด้วยที่มามาลบล้างไดนะ้ไม่มีใครลบล้างเลยคุณตรวจสรอบประวัติศาสร์าสิไม่มีใครลบล้างได้เลยแั่นนะั่นคือเป็นสัจจที่ประกาศออกไปนะมีแต่คนยอมรับมีแต่ทำไม่ได้นั่นแหละ <c oughs> จะทำตามไม่ได้นั่นแหละโอเคอ น, นี่กํลาลังสังเป็นเรื่องอจิตใจบางอย่างด้วย ไหนๆก็เป็นชาวพุทธแล้วก็เลยเล่าสิพาะฉนั้นเป็นชาวพุทธก็ทำให้มันดีนะเป็นพุทธแท้ได้อ้าวแล้วนะอันนี้ก็คือเอามันเป็นทีงไหนล้วอ้ที่นี้บางิดต้มอ่ากิน ห, หลากหลายใช่ไหมกินหลากหลายทีนี้สองต้องให้ถูกสมดุลอันที่สามปริมาณการกินปริมาณการกินกินในปริมาณที่รู้สึกสบายนะครับถั่วเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วถั่วเนี่ยหรือปโปรโตีนเนี่ยนะ ร่างกายต้องการถั่วประมาณหนึ่งถึงห้าช้อนแกงต่อวันนี่คือค่าเฉลีย่ยนะครับอ่ะบางคนอาจจะมากหรือน้อยกว่า น, นั้นก็ได้แต่ว่าตัวค่าเฉลีย่ยแล้วประมาณนี้อย่า ก, กินถั่วมากเกินไปนะทัว่วจะต้องขับออกทางไตแายเป็นแอมโมเนียฉุนๆนะ่ะมันจะปวดเอวนะครับไตจะเสื่อมกระเพาะปัสสาวาจะเสื่อมนะกินถั่วมากๆจะปวดเอวทรมันสมัยก่อนโอาะยเีเจใหม่ๆปวัวระดานโปรตีน ใส่ถั่วถ้วยลมล้มมะล้มใหญ่ๆแล้วน่ะใส่ทับทีเข้าไปกินเข้าไปท้ายลงก็เม็นเยาะก็เม็นเอวก็ปวดโอ้ทรมานเลยกันเ้นแต่เรื่องคกลัวล ข, ขาดโปรตีนพอช่วงหลังเข้าใจแล้วนะโอ้หาสัดส่วนที่มันกินแล้วไม่ปวดเอวแล้วมีพลังชีวิตสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงห้าช้อรู้แหละคืนี่นหรือแพทย์ทางเลือดทั่วไปเขาจะบอกว่าร่างกายต้องการโปรตีนอยู่ประมาณ 5% ซของอาหารทั้งหมด หอร์็ถึงสิบเซ็ของอาหารทั้งหมดเท่านั้นเองไม่ต้องกินมากนะครับแล้วบางวันที่เราฝืดปากฝืดคอนะกินถัวแล้วฝืดปากฝืดคอเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าโปรตีนเกินร่างกายไม่ต้องการวันนั้นไม่ต้องกินถั่ววันนั้นไม่ต้องกินถัวไม่ต้องกินโปรตีนนะครับแปลว่ามันเกินแต่ว่าไหนที่กินแล้วออชุ่มปากชุ่มคอกินแล้วเออมันรู้สึกมีกําลังนะถ้าไม่กินแล้วมันไม่อยู่ท้องเออไม่กินแล้วมันรู้สึกว่าห่วยล้าล้านะพอกินข้าวพร้อมกับข้าวเสร็จ พอกินเข้าไปปุ๊บโอ้ทั้งลายออกมาดีรู้สึกมีพลังชีวิตมากขึ้นอิ่มเต็มมากขึ้นอันนั้นก็แปลว่าร่างกายต้องการโปรโตีนเราต้กินไปในปริมาณจนรู้สึกเปิดปากเปิดคอที่นี่ <Yeah. S 1> พอปริมาณเปิดปากเปิดคอปุ๊บเราก็หยุดเลยนะครับนั่นแหละมันพอดีอยู่ตรง น, นั้นบางคนอาจจะหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนสี่ชหช้อนและแฉะนะครับแต่ค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้มันไม่จำเป็นต้องกินมากบางวันไม่กินก็ได้ประเด็นนี้ใช้ได้รวมทั้งผู้ป่วยโรคไตและโรคมะเร็งด้วย เขาะจะมีคําถามว่าผู้ป่วยโรคมาเรนหรือโรคไตนี่จะต้องกินถั่วไหมผมพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคมาเร็งหรือโรคไตเนี่ยทั้งมีทั้งที่กินถั่วแล้วก็แข็งแรงหายโรคนะครับมีทั้งที่ไม่กินถั่วแล้วก็แข็งแรงหายโรคแล้วก็มีทั้งที่กินถั่วแล้วก็ตายมีทั้งที่ไม่กินถั่วแล้วก็ตายมีข้อหมลเลยแล้วเราเก็บข้อมูลเก็บอะไรต่า ง, งได้สัจจะว่าอยู่ที่ว่าร่างกายตอนนั้นน่ะ ต้องการโปรตีนหรือไม่ต้องการผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ป่วยโรคไตหรือไม่แต่โรคอื่นบางคนบางเวลาเกินโปรตีนไม่ต้องการโปรตีนถ้ากินเข้าไปแล้วจะป่วยก็คือกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกไม่สบายนั่นแหละหรือมันปวดตับปวดคอนั่นแหละอันนั้นก็ไม่ควรจะกินแต่ถ้าเขาเขารู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วมันสดชื่นดีมีกําลังดีนะก็มันมีพลังชีวิตดีมันย่อยง่ายดีอันนั้นก็ควรจะกินเขาจะหายเร็วเพราะฉะนั้นต้องไปดูความจริงนะ วันนั้นนักเวลานั้นนะครับว่าเขาต้องการเท่าไหร่นะครับแล้วร่างกายคนนั้นต้องการโปรตีนแั้งต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นกินโปรตีนกินมื้อเดียวพอเลยเนตโปรตีนนะไม่ใช่ว่าขาวเช้าก็หาช้อนเพียบก็บหาช้อนเย็นก็หาช้อนนี่ไม่ใช่นะหมายาก็ว่าค้าวเดียวเลยคุณจะกินโปรตีนข้าวไหนก็กินเลยขาบเดียวนั่นแหละกินให้มันพอเลยแล้วก็เลิกเลยนะครับต้องโปรตีนมันสามารถเก็บไว้ใช้ได้ได้ทั้งข้าวมันได้สบาย มันมีโปรตีนอยู่ค่าเดียวพอเลยจะกินถั่วข่าไหก็ได้ข้าวประเภทเที่ยงหรืเย็นก็ได้ต้องการแค่ไหนเอาแค่นั้นเลยครับมันคือโปรตีนนะหรือถ้าไรว่าหนึ่งขนมหนึ่งหนึ่ช้วยขนมหวานเล็กๆหนึ่ง้อนขนมหวานเล็กๆหรือประมาณห้าช้อนห้าช้อนเนี่หมายความว่าโปรตีนที่ต้มสุกแล้วนะครับถั่วที่ต้มสุกแล้วนะไม่ใช่คือถั่วดิบถั่วดิบเอามาแช่มันจะขยายดีอีกถั่วที่ต้มสุกแล้วประมาณห้าช้อน ถ้าใครมีอะไรต้องไปเก็บกลับไปได้ไม่ว่าบบกันเลยนะถ้าใครไม่มีอะไรเก็บหลือยอมให้มันเปียกก็ฟันต่อไป <c oughs> อนี่คือเรื่องของโปรตีนเรื่องของตัวนะจะได้ชาดขึ้นเพื่อจะได้หมดของใสจะได้เลือกตัวตัวสักทีหรือว่าเราจะได้กินได้ถูกนะครับ เพราะว่ามีวิจาการหลายอันนะเหยียบันอยู่ตัวนั้นกินได้ไหมตัวนี้กินได้ไหมประตูกินอะไรสบายก็กินกินอะไรไม่สบายก็ไม่กินนี่คือคำ ต, ตอบนะแต่ละคนนี่เหมือนกันหรือปริมาณหลักที่อย่ที่ว่า น, นี่แหละถ้านระ่างกายต้องการาก็กินไปในปริมาณที่ต้องการถ้าเขาไม่ต้องการ ม, าาานะมันเ้าตันๆนะมันเปิดปากเปิดท้าก็กินมันก็ไม่ต้องกิอันะนี้คือการปฏิบัติกับโปรตีนที่ถูกต้อง